พวกคณะมาจากไหนเนี่ยไอ้ยินว่าผู้บริหารใหม่ว่า ง, งั้นบริหารใหม่มาจากไหนอะะอ๋ อ, อจากเขตหนึ่งอุดอรเมื่อเดือนกรกฎาเขตสี่เข้ามานะเขตสีเข้ามาวัดตรวงพ่อแต่ไมร่รวดได้ผล ออกหัวออกค้อยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเข้ามาเข้ามาอยู่นั้งแต่วันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามกลับวันที่ยี่สิบเจ็ดออกไปวันที่ยีิบเจ็ดเข้ามาปฏิบัติธรรมมาเข้าคอร์สอยู่สี่คืนห้าวันแต่ว่าผลออกมาไม่รู้จะออกมายังไงหลวงพ่อว่าระดับผู้บริหาร พอ อ, อรองพอ อ, อคงประเมินได้ว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมคราวที่แล้วเนี่ยได้ผลมากน้อยแค่ไหนแต่หลวงพอ่อหลวงพ่อประเมินของพระเหมือนกันนะหลวงพ่อเป็นเจ้าของสถานที่ใช่ไหมไม่ใช่จะให้ครูบาอาจารย์พอ อ, อประเมินหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็ต้องประเมินอีกเหมือนกัน ที่เรารับมาเนี่ยเป็นไงขาดทุนหรือกาไรคําว่าขาดทุนเขานี่ไม่ใช่ขาดทุนทรัพนะไม่ใช่ขาดทุนเรื่องว่าค่าใช้ใจ่ายแบบนู้นอย่างนี้เพราะค่าใช้ใจ่ายก็เป็นของคณะผออยูแล้วใช่ไหมจะขาดทุนที่ไหนใช่ไหมแต่ ว, ว่าขาดทุนในการดําเนินงานของเราเนี่ยเป็นไงได้ผลไหมเป็นที่พอใจไหมผลออกมาเป็นยังไงครูบาอาจารย์ผ อ, อทั้งหลาย ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยใส่ใจมากน้อยแค่ไหนเอหรือว่าตามกระแสเท่านั้นกระแสเข้าว่ายังไงไปตามกระแสอแล้วเป็นยังไงผลออกมาแต่หลวงพ่อยังไม่พูดผลประเมินของหลวงพ่ออุบไว้ก่อนเหมือนกันนะปุบปุบไว้ก่อนเป็นการภายในเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อกับดูดูผลประเมินออกมาของ สพอปอสอพอปอเขตสี่บันผือน้ำโสมนาโยงกุดจับสี่อำเภอเห็นกูบาลการคณะผู้บริหารมาหลงพ่อ อ, อันนี้คือเป็นผู้นําของชุมชนกูบาลการเป็นผู้นําของชุมชนทําไมจึงว่าเป็นผู้นําเพราะว่า พ่อแม่ของเด็กนักเรียนเป็นอาจารย์คนแรกสอนเด็กนักเรียนก็ว่าบุกพาอาจารย์บุกพาอาจารย์คืออาจารย์คนแรกสอนลูกหลานสอนลูกของตอนเองพอหมดความสามารถแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียนส่งเข้าโรงเรียนก็หนึ่งครูบาอาจารย์เป็นผู้ต่อรับต่อจากพ่อแม่ถ้าเป็นผ้าก็ยังขาวสะอาดอยู่ยังไม่มีมลทินอะไรมาก ครูบาอาจารย์ให้ความรู้ที่ดีเด็กของเราก็จะไปในทางที่ดีต่อไปก็จะเป็นทรัพยากรที่ดีของชาติถ้าครูบาอาจารย์พอเข้ามาแต่เด็กแล้วสอนวิ ช, ชาขายยาบ้าขายยามกาขายคันชาเล่นการพนันวิธีคดโกงสอนให้เด็กนักเรียนนักเรียนก็รับได้หมดอีกเหมือนกัน และประเทศชาติกะเป็นยังไงทีนเสียหายเสียหายอย่างมากเพราะเหตุไรเพราะว่าเริ่มต้นสอนมาไม่ดีบานปลายจะดีได้อย่างไรมันคตมาแต่โคนแต่เง่าแล้ว น, ะนั่นนะผมพ่อเองจึงเห็นถือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นทรัพยากรของชุมชนที่ล้ำค่าเป็นผู้นำชุมชนเป็นอันดับหนึ่ง พูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะโอ้เมื่อวานหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับฟ้าฝนเขตอำเภอนายูงทางอีสานของเราฝนแรงปีนี่น้ําในคลองของหลวงพ่อ ย, ยังไม่ครึ่งฝั่งเลยตั้งแต่นหน้าฝนมาแต่ก่อนถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วน้ําในคลองวัดของหลวงพ่อเนี่ยครึ่งฝั่งละล้นฝั่ง ล้นตลิ่งไม่รู้กี่ครั้งแต่ปีนี้ยังยังไม่เครึ่งฝั่งเลยเพียงแต่ว่าน้ำทะลุทะลวงมาเท่านั้นเองฝนถ้าจะว่าไปฝนปีนี้แรงนะเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยเอเมื่อวานเนี่ยทำไมมันแรงขนาดนี้เดี๋ยวหลวงพ่อจะเสกคาถากับห น, น้ามเนรเสกคาถาเป่าฝนก็หนาเพราะว่าข่าวที่แล้วเนี่ยผ อ, อ, อครูโรงเรียนมา แล้วมันจะห่มห่มห่มมาทุกทสาระทิศหนะลงพ่อท้อไม่ได้แน่แน่คณะครูบาอาจารย์มาเนี่ยหาที่หลับที่นอนที่พักก็ไม่พอถ้าฝนตกแย่เลยเนี่ยแล้ว เ, เดี๋ยวหลงพ่อจะเสกคาถาหลงพ่อก็เลยเสกคาถาตั้งแต่เดือนวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมนะวันที่ยี่สิสามกรกฎาคมยี่สบสองยิบสามครูบาอาจารย์เข้ามานะ เสกคถาแต่เขาฝนเลยเลยวิ่งเตลิดเปิดเปิปงจนจนไม่หันหลังกลับเลยแั้นเถอะโทรโทรโทรโทรมาเมื่อวานเนี่ยพูดหมายโอ้ไม่ได้ไม่ไตรงพ่อเสกคะถาวันนั้นน่ะฝนวิ่งหนีอย่างหัวสุกหัวสูดเ น, นยังไม่กลับมาเอาวันนี้เดี๋ยวพ่อเสกคถาให้มันกลับมาได้เจ๊ว่ะพ่อเสกมากลับมาวันนี้ฝนตกอย่างแรงเห็นไหมนะ <c oughs> แต่พวกเราก็คงยาจะทราบเอ๊ะ คาถาหลวงพ่อที่เสกอันนี้ทําไมศักดิ์สิทธิ์นักเนีว่าคาถาคืออะไรเนี่ยหลวงพ่อเรียนมาจากหลวงพ่อสิงทองนะหลวงปู่จิงทองที่ตกเครื่องบินนะ่ยนะที่ตกเครื่องบินปี 2- อสามที่พวกเราได้ยินเนะี่ยหลวงปู่จิงทองตกเครื่องบินนี่แหละคาถาหลวงปู่จิงทองเนะี่ยที่ท่านเอ้ยถ้าฝนแรงจะไปะยากอะไรเสกคาถาเปล่าเลยใช่เอาเดี๋ยวจะสอนให้ เราก็ฟังๆเลยที่ว่าเป็นคาถาอาคมอะไรเลหลวงปู่จิงทองบอกว่าเอ้าฟังเนี่ยน้ำมันงาท่าหัวล้านตกบ้านพี่บ้านพุนย่าตกให้กลับกันนะคนน้ำมันงาท่าหัวล้านเหมนัันเอต่ยตอตกบ้านพี่บ้านพุ่นจะตกแต่ขันยังไห้มันตกบ้านบ้านพุ่นนะ ต้องพูดกับกันนะเพอเมื่อคาวที่แล้วหลวงพ่อพูดกับได้บอกว่าตกตกบ้านพุ่นบ้านพี่จะตกคนละบ้นก็เลยตกแต่บ้านอื่นเหมือกันเลยบ้านเราได้ไม่ตกแต่ข่าวนี่หลวงพ่อเสกคาถากลับใหม่เมื่อวานเนี่ยตกตกบ้านพี่บ้านนู้นจะตกเหมือนนเลยมันก็เลยมาตกที่บ้านเราเหมือวันนี้ก็เลยตก พวกนั้นลูกหลานทั้งหลายนะักการศึกษาญาติวงศทั้งหลายนะอย่าไปบน่นไปว่านะเพราะมันแรงมานานจริงๆข่าวเนี้ยเกื อ, อบสามอาทิตย์เนยะดูสิกล้าในนาเลยที่เราเดินผ่านสีแดงต่อยเลยเหมือนกับผมฝรั่งเลยว่านะอนะนกล้าในนานะ่ะแดงหมดแค่เพราะมันแห้งอนะ่ะไม่มีน้นะําอ่ะแต่ว่าฝนตกขนาดนี้จะฟื้นหรือเปล่ายังไม่รู้อีกเหมือนกันนะเพราะมันแห้งมานานแล้ววันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสาม สิงหาคมพุทธศักราช2555พระวัดหลวงพ่อ42องค์นะงดชั้น23วันนี้พวกเราเห็นพระน้อยในวันนี้นะลงมาชั้น23งดชั้น19งดชั้น19องค์โดยมากพระจะมาชั้นไม่พร้อมกันแต่บางคนก็บอกโอ้ทำไมพระหลวงพ่อวัดหลวงพ่อ42องค์นะ แต่พอไปเห็นจริงๆทําไมน้อยอยู่พระท่านบางทีท่านฉันมือเดียวแล้วท่านยังอดอดอาหารอีกบําเพ็ญภาวนาของท่านเพราะท่านเข้ามาบวชไม่ใช่มาบวชเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงทงปากเลี้ยงท้องได้อย่างไงเพราะชันมือเดียวนะแต่ฉันมือเดียวท่านยังอดอีกนะท่านภาวนาเพื่อจะทําเวลาให้ตัวเองให้มากถ้าพวกเราอยากจะรู้ต้องเข้ามาบวชต้องศึกษา วิชาในโลกนี้มันต้องศึกษาทั้งนั้นอะ่ะถ้าไม่มีใครที่จะสยาภูรู้แจ้งโลกมีแต่พระพุทธเจ้าองค์เดียวนะ่ยท่านประกาศว่าเราสยามผูรู้แจ้งหมดทุกอย่างในโลกเลยวิชาใดที่เราไม่รู้ไม่มีเรารู้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นแต่นอกจากนั้นลงมาแล้วไม่มีไม่มีใครที่ว่าประกาศประกาศรู้ทั้งหมดเนีถ้าใครประกาศอย่างนั้นก็ถลอว แล้วก็เขาจะแยงปัญหาเขาถามไงผมเลยรู้ภาษาทั้งหมดในโลกภาษาจีนรู้ไหมภาษายวนรู้ไหมมันมีภาษาต่างเยอะแยะใช่ถ้าไม่รู้ก็จะแสดงว่าเราโง่แล้วเพราะเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้คือสิ่งที่เราโงานน่วิชาอย่างอื่นมีต่างเยอะแยะในโลกนลยขนาดวิชาทำอาหารแน่อย่างเดียวเท่านั้นะ ก็ยังเรียนไม่จบไม่รู้อาหารประเภทไหนประเภทไหนประเทศไหนประเทศไหนอีกกลุ่มไหนตกลุ ta, ่มไหนอีกแต่ละกลุ่มก็มีหลายแนวอีกมีหลายอย่างอีกอาหารอย่างโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันรักษาสุขภาพร่างกายไม่รู้ว่าโรคไหนต่อโรคไหนอีกไม่รู้ว่าหมอไหนต่อหมอไหนอีกหมอหูหมอตาหมอจมูกหมอผิวหนังหมอกระดูกหมอเส้นผมหมอเส้นขนอีก มีต่งเยอะแยะแต่และหมอนั่นแหละวิชาในโลกนีมันมีมากวิชาพระพุทธศาสนาก็คือขแขนงหนึ่งอีกเหมือนกันในขแขนงเหล่านั้นเพราะนั้นเราจะไปรู้แบบง่ายๆได้ยังไงมีแต่คนโง่เท่านั้นว่ารู้หมดทุกอย่างถ้าคนมีความคิดถ้าคนมีปัญญาแล้วเขาจะต้องเรียนรู้วิชานี้เราสนใจไห ม, มเราเรียนมาแล้วเราจะ ได้ใช้ประโยชน์ไหมวิชานี้แต่วิชาของพวกพุทธศาสนาวิชาเรียนรู้ตัวเองตัวของเราเองเป็นความรู้ที่ว่าความนึกคิดความคิดทาพทูดเพียงเท่านี้พวกเราก็จะงงแล้วคิดทาพทูดคิดคือคือมโนกรรม การกระทําทางใจคิดทำคือกายกรรมคือการกระทําออกมาทางกายโพู์คือการกระทําออกทางวาจาการกระทําของเราทําได้สามทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการกระทํำทางกายวจีกรรมคือคําพูดมนโนกรรมคือความคิดนี่แหละพระพุทธเจ้า ที่ไปค้นคว้าศึกษาที่สอนหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนเรื่องของของแนวความคิดเน้นเรื่องความคิดแนวความคิดของมวลมนุษย์ท่านไปค้นคว้าศึกษาและจะทํำยังไงจรึงจะเอาความคิดได้จึงจะรู้ได้ว่าความคิดนี้มันคิดกระจัดกระจายแล้วเกินตั้งแต่ตื่นมาขึ้นมาแล้วมันเลือกคิดมันปุ่งฟุ้งไปหมด บางทีก็โมโห โ, หโหกธาปกติอกตีใจบางทีก็เรื่องราวต่างๆมากมายแต่ทํายังไงนี่แหละเราจะเอาอยัางไงให้มันตรอมให้เป็นหนึ่งได้ในในความคิดนั้นนี่แหละอันนี้แหละคือหลักของพระพุทธศาสนาแหละท่านหลักพุทธศาสนาท่านจะค้นคว้าศึกษาเรื่องของเรื่องของใจคือแนวความคิดไม่ให้มันกระจายไม่ให้มันปุ่งฟุ้ง ถ้าคนที่ปุงฟุ้งมากๆจนจะติลังไม่อยู่อันนั้นกายเป็นบ้าไปได้เป็นประสาทไปได้ไง่ายง่ายเพราะเห็นอะลรเพราะมันใจของเรามันกระจายมันฟุ้งแล้ว้ราจ ะ, จะจะทำยังไงจึงจะให้มันรวมเป็นหนึ่งนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านไป้นควาศึกษาอยู่ที่โคนต้นโพปนควาศึกษาหกปีที่พุทธคยา เป็นนั่งสมาธิกำหนดลมหาย ใ, ใจเข้าหาย ใ, ใจออกคือไม่ให้มันคิดไปทางอื่นจากนั้นใจรู้ปฐัยขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งคลายกวาเอาใจให้เข้าไปพักผ่อนปิดประตูปิดประตูของใจเข้าไปในห้องปิดประตูอยู่ตามลำพังเงียบและก็เปิดประตูออกมาทำงานและจะปิดประตู เขาไปพักผ่อนแล้วก็เปิดประตูออกไปทํางานนี่แหละอันนี้คื อ, คอพระพุทธเจ้าแนะนําสัง่งสอนพวกคณะสัทยา ญ, ญาณโยมพุทธบริษัทของพระองค์นี่แหละพุทธบริษัทก็คืออะไรก็คือบริษัทจํากัด บ, บริษัทมหาชนจํากัดบริษัทพุทธบริษัทจํากัดพุทธบริษัทก็คือพวกเราท่านทั้งหลายาศาสนาคิดคิดศาสนา พุทธบริษัทคิดบริษัทอิสลามบริษัทซิกบริษัทพราหมบริษัทอันนี้พวกเรานับถือพระพุทธเจ้ากับพุทธบริษัทเป็นบริษัทส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแนวความคิดของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องศึกษาค้นคว้าแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อดูดูแล้วประเทศชาติเกือบชาติไทยของเราเออที่ห่างเหิน หลักของพระพุทธศาสนาห่างเหินมาเพราะไม่ได้ใส่ใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าเพราะเหตุไรเอพอพราะเด็กเด็กในชาติของเราเจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยฝึกฝนต้องอาศัยเรียนรู้ต้องอาศัยผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ให้แนวความคิด เ, เด็กคนนั้นก็จ ะ, ฉะเฉลียวฉลาด หลือไปแนวทางเป็นสัมมาธิิเรียกว่ารู้เรื่องของเรื่องนั้นๆได้จะย้อมไปในทางไหนจะยอมไปทางสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีไหนถ้าหาว่าย้อมไปในทางทางที่ถูกมันก็ถูกถ้าย้อมไปในทางที่ผิดมันก็ผิดแต่ย้อมให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์ย้อมให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษอันนี้ ถ้าเรามาพิจารณาดูอย่างคนชาติไทยเด ว, วาชาติไทยของเรานับถือพระพุทธศาสนาในหลวงพ่อมาวิเคราะห์ดูนับถือพระพุทธศาสน า, น า, น า, สนาแต่ว่าผู้มีฐานะอันจะกินผู้มีฐานะดีก็อยากจะให้ลูกตัวเองเรียนหนังสือมีความรู้ดีกว่าใครต้องเลือกโรงเรียนที่ดีพอเลือกโรงเรียนที่ดีเรื่องค่าใช้จ่ายไปต้องว่ากัน เพอยากจะให้ลูกของเราเหนือกว่าใครโรงเรียนที่ดีผัวในโซ่ก็เอาไปเข้าโรงเรียนฝ ร, รั่งพอเข้าโรงเรียนเสร็จแล้วเขาก็สอนไปในทางศ า, นาสานาพอศาสนาพ่อใหญ่ขึ้นมาก็ถึงมัธยมพอมัธยมขึ้นไปแล้วก็จบมัธยมเข้าปริญญาตรีพอปริญญาตรีส่งไปนอกอีกพอส่งไปนอกไปรับวัฒนธรรมเมืองนอกอีกกลับมาเมืองไทย แต่ถ้ า, ากว่าผู้ที่ไม่หนักแน่นในเรื่องศาสนาพ่อแม่ไม่ได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาที่แท้จริงโลกก็ค่อยไปตามนั้นได้ไง่ายๆแต่ตามไม่จริงศาสนาทุกศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีแต่พุทธศาสนาสอนอย่างไรอันนี้พวกเราต้องค้นคว้าศึกษ า, าศึกษาให้ดีอย่างที่ โยมของหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านก็ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนกินนอนศาสนาแต่นี้เขาก็จะเข้ารีดลูกอยากจะเข้ารีดเข้ามาปรึกษาพ่อมาปรึกษาพ่อเนะี่ยพ่อข้าดิฉันเขาชวนเข้าไปเข้ารีดนะพ่อือพ่อจะมีความเห็นว่ายังไงยังดีนะเด็กเข้ามาทำทางพ่อก็บอกว่าเออลูกเ อ, อ้ยในขณะนี้ลูกเนี่ย ยังกินข้าวของพ่ออยู่แต่ยังใช้เงินของพ่ออยู่แล้วก็พ่ อ, อยังอุปการะลูกอยู่ทุกทิ้งทุกอย่างพ่ อ, อยังให้แต่ความอุปการะลูกอยู่ถึงยังไงก็ให้โลกนับถืออย่างพ่อไปก่อนเอนะเอ้เดี๋ยวนี้พนับถือพระพุทธศาสนายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเพราะพ่อเนี่ยเคยบวช พ่อนับถือพร ะ, ทะุทธศาสนาแต่ต่อไปภายภาคหน้าทางวันลูกเป็นอิสระทำหน้าที่การงานการเงินของตนเองแล้วลูกจะนับถือศาสนาอะไรเป็นอิสระของลูกเป็นอิสระของลูกลูกจะนับถือศาสนาอะไรจะนับถือเรื่องอะไรก็เป็นหน้าที่ของลูกเพราะพ่อหมดหน้าที่แล้วแต่ขณะนี้ลูกยังเป็นภาระหน้าที่ของพ่ออยู่ถ้าลูกไปเข้าลีด ใดก็าตามอพ่อก็นับถือพุทธศาสนามันจะขวางกันนะลูกนะถออือยังไงยังไงก็ไม่สายเกินไปหรอกให้ลูกนับถืออย่างพ่อสักก่อนแนวความคิดนี้หลวงพ่อว่าเออเป็นแนวความคิดที่ดีแต่ท่านเป็นใครท่านเป็นรองประธานสารดีก า, ท, าท่านองค์นี้ยที่ท่านเคยที่ท่านพูดนี่นะอันนี้คือยอยู่ในประวัติของท่านนี่แหละ อันนี้ก็คือลูกของท่านมาพูดให้หลวงพอว่อฟังหลวงพ่อเออมีเหตุผลถ้าว่าคนจะ ก, กี่คนที่จะคิดได้และพูดได้อย่างนี้ให้เป็นแนวทางสำหรับพวกลูกหลานของตอนเองเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้คณะครูบาอาจารย์หรือท่านผู้บริหารทุกท่านเมื่อได้ยินฟังๆดูสิที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในปา่าตงพงไฟเนี่ยพูดอะไรเอาข้างเข้าถูหรือเปล่า ไม่ดูตามาตาเรือหรือเปล่าแต่ลุงพ่อคิดว่าลุงพ่อมั่นใจลุงพ่อพูดถูกนะในความคิดเนี่ยแต่ลุงพ่อก็คิดถ้าลุงพ่อไม่มั่นใจลุงพ่อคงไม่พูดออกมาแต่ลุงพ่อคิดว่ามั่นใจแต่ถึงยังไงขอฝากไว้กับทุกคู่ทุกคนนะนะั่นศาสนาทุกศาสนามีเหตุผลแต่มีเหตุผลมากน้อยอยังไงแค่ไหนก็สุดแท้แต่พวกเราจะใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาการคลองไตรตรองเหตุและผลเหมือนกับรถยนตนะ์ รถยนต์ทุกยี่ห้อมีคุณค่ามีประโยชน์แต่ว่าทุกยี่ห้อมีคุณค่าเสมอการทางว่าคนตีเสมอว่าทุกยี่ห้อมีคุณค่าเสมอการแสดงว่าปัญชติปัญญาของเราก็ได้เพียง เ, เท่านั้นแต่ว่าอันไหนดีกว่ากันอันนั้นก็สุดแท้สติปัญญาของแต่ละคนเลือกเลือกแล้วก็ศรัทธาของแต่ละคนแล้วก็ปัญญาแต่ละคนเลือก เราไม่ได้ว่ากันจุดนี้นะแต่ต้องใช้ปัญญาเลือกนะถ้าเลือกแล้วก็เออเอาหมดความสามารถในการเลือกแล้วก็ือญกับเราเข้าไปเลือกนะเนี่ยเลือกเชื่อพ่านเราเลือกดีที่จุดก็จุดแท้แต่เป็นที่พอใจของคนคนนั้นไม่ว่ากันเพราะโลกนี้โลกหาได้คุณแม่ชีแก้วว่าโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้ หากหาสวรรค์ใส่ตัวเองก็ได้หาคุกหาตารางใส่ตัวเองก็ได้หาความรู้ความฉลาดต่อตัวเองก็ได้หาหน้าที่การงานที่จะให้สูงส่งก็ได้หรือจะหาวิธีที่จะตัวเองทำหน้าที่การงานจะเข้าไปติดในคุกใส่ติดตนตารางก็ได้โลกนี้มันโลกหาได้เพราะนั้นเราจะหาอะไรถ้าคนมีปัญญาก็ต้องหาสิ่งที่ดีใส่ตัวเองถ้าว่าคนที่เนี่ยจิตใจเลวอยู่แล้วก็ต้องหาสิ่งที่เลวใส่ตัวเอง จึงจะไม่หาก็เหมือนกับหานั่นแหละแหม่พออะไรพอทำลงไปแล้วมนมันเร็วเองคิดก็เร็วทำก็เร็วพูดก็เร็วถ้ามันเร็วเราจะไปดีได้อย่างไรถ้ามันคิดดีทำดีพูดดีแล้วจะไปเร็วได้ยังไงเพราะมันดีเพราะนั้นโลกในโลกหาได้หาดีหาชั่วหาอะไรก็ได้กับใส่ตนเองนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะควรจะหาคุณงามความดี หาบุญหากุศลหาสิ่งที่เป็นสิริมงคลใส่ตนเองเกิดมาพบในชาตินี้ก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไปนะักสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผักสุขแต่ถ้าาเอาความชั่วโคบใส่ตนเองแล้วไปที่ไหนก็เป็นที่ละแวงแกรงใจใครๆทั้งหมดน่นแหลมาไม่ไหนวะเป็นยังไงวะมันเลวที่อื่นแล้วมาเลวที่นี่เองแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นะนะขอให้พวกเราตรวจตราดูตนเอง อยู่ใ น, นสถานที่ใดตรวจตราดูความคิดของตนเองการกระทําของตนเองการพูดของตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าให้คนอื่นดูให้นี่เดี๋ยวกับโมโหโกธาโกรธให้เขาแต่ตัวเองดูตนเองเน่ยจะรู้ได้เพราะว่าความคิดธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะปัจจัตังเราทําดีทําชั่วรู้ได้เฉพาะตัวพนัพนกรรมชั่ว เมื่อทำไปแล้วก็ไม่ดีเมื่อเราความชั่วใครมองไม่เห็นแต่ตัวเองเห็นถ้าหาว่าทำลงไปแล้วใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตามนั่นก็คือความชั่วความชั่ววันยังคำ่ำเออคิดคือมาเมื่อไหร่ก็ชั่วเพราะมันชั่วความดีก็เหมือนกันความดีอยู่ในสถ า, า, านที่ใดที่เปิดเผยที่ รับที่ไหนๆก็ตาก่างก็คือความดีถ้าความชั่วเนะ่ยเหมือนกับไฟนะมันร้อนถึงเราจะไปจับในห้องปิดประตูมิดไม่ให้ใครเห็นไปจับหรือซไฟร้อนไหมร้อนเพราะเหตุ อ, อะไรเพราะมันเป็นไฟอันนี้ก็เหมือนกันความชั่วนะั่นนะถึงเราจะทําในที่รับถึงจะทําในที่แจกทําในที่เปิดเผยทําที่สาธารณะเอเราไปจับหรือซไฟมันร้อนทั้งนั้นน ะ, ะเพราะเหตุ อ, อะไร เพราะมันเป็นไฟน้ำแข็งเราไปจับที่ไหนมันก็เย็นนี่แหละเพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าความชั่วสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรจะทำถึงในที่รับที่แจง้งเขามไม่ดีทั้งหมดนี่แหละหลักของพุทธศาสนาในพวกเราคณะสัตยาธิโยมทุกทุกกท่านนะท่านใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์มาพิจารณาศึกษานะเราจะพอจะรู้ ทางโล ก, กใช่วิชาทางโลกมันก็อีกขแขนงหนึ่งแต่วิชาธรรมะเนี่ยคือดูใจดูความประพฤติกายกรรมวจีกรรมโนกรรมกรรมคือการกระทำํำคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงจึงจะถูกต้องคิดยังไงคิดผิดนในเมื่อคิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วการกระทําออกไปมันก็ผิด การพูดออกไปมันก็ผิดเพราะมันผิดออกมาจากต้นต่อแต่ถ้าว่าเราใจของเราเป็นสัมมาทิตฐิมีแต่เมตตามีแต่ความถูกต้องมีแต่เหตุผลอยู่ในใจการกระทำออกไปมันก็ถูกการพูดออกไปมันก็ถูกเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านววาให้ดูใจพยายามทา จ, จิตใจดูใจตรวจตราดูใจทาจิตใจให้สงบ ถ้าสงบแล้วจะมองเห็นตัวเองถ้าจิตใจปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลานะจะมองไม่เห็นตนเองต่อนนี้ไปรับพรอนุโมทนาให้พร